ท่านผู้ดำเนินตรงพระพุทธภาสิกยังกินจิอิกท่านจะหุตัญจะโลเกสร้างวัดชรังยะเชธักปุญญะเปโขสบบาบังปิตังนัจตุภาคเมติอะพิวาดนาอุชุะเตสุเสโยแปลกว่าว่าผู้มุ่งบุญ พึงบูชายันและวงสูงอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกอยู่ตลอดปีการบูชาญันและบวงสูงนั้นได้บุญไม่เท่าเศษหนึ่งส่วนสี่แห่งการน้อมเสียนลงกราบไหว้ท่านผู้ปฏิบัติตรงการเคารพนกไหว้ท่านผู้ปฏิบัติตรงนั้นประเสริฐกว่าอธิบายความการบูชายาณและการวงสูงอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นเกี่ยวกับความเชื่อที่มีอยู่ในใจว่าการกระทําเช่นนั้นสามารถนําทุกข์ออกและนําสุขเข้ามาสู่ตน การบูชายันบางอย่างเป็นการทําบาปอย่างทารุณเช่นต้องฆ่าแพะแกะโคตัวผู้ตัวเมียเป็นต้นถึงกับฆ่าคนก็มีพวกนี้ต้องการให้เทพเจ้าโปรโดปรานแต่สร้างความเดือดร้อนให้แก่มนุษย์และสัตว์ในโลกเดียวกันถ้าเทพเจ้ายังโปรโดปรานคนใจบาปอย่างนี้อยู่อีกเทพเจ้ากว่าเลวเต็มทนไม่ควรแก่การเคารพนับถือการบูชายันและการบวงสรวงที่ไม่เกี่ยวด้วยคุณธรรมจึงเป็นการทําบาป โดยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นบุญพระพุทธเจ้าจะทรงปฏิเสธยันโดยประการทั้ปวงก็หาไม่แต่ทรงสรรเสริญยันที่ไม่มีการเบียดเบียนเช่นการให้ทานการรักษาศีลการบำรุงมารดาบิดาเป็นต้นยันในความหมายของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้การเคารพนอบน้อมต่อท่านผู้ควรเคารพเช่นท่านผู้ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมพร้อมด้วยจิตเทิ่ยงสายนั้น แม้เพียงครั้งเดียวก็มีผลมากกว่าการบูชายันบวงสวงอันไร้สาระาย่ตลอดปีในพระบาลีนี้ตรัสว่าในท่านผู้ดำเนินตรงดำเนินอย่างไรเรียกว่าดำเนินตรงกล่าวโดยธรรมดาสามัญหมายถึงท่านมีกายตรงวาจาตรงและใจตรงกายตรงคือกายไม่คดด้วยทุจริตทางกายไม่มีการหลอกลวงทางกายพระที่ไม่เคร่งทำบาปหยาบช้าได้ทุกอย่างในที่รับ แต่พอต่อหน้าคนก็ทำเป็นเคร่งครัดจะยืนเดินหรือนั่งก็ทำอย่างอาการแห่งผู้สำรวมเพื่อหลอกลวงคนให้เข้าใจผิดผู้ตรงทางกายย่อมเ้นจากอาการเหล่านี้วาจาตรงคือพูดจริงพูดตรงกับใจไม่เป็นคนที่เขาเรียกว่าโคตในข้องอนในกระดูกปากอย่างหนึ่งใจอย่างหนึ่งปากหวานข้นเปรี้ยวต่อหน้าสรรเสริญรับหลังนินทาเป็นต้น โดยปกติคนที่ปากหวานมากๆนั้นเชื่อใจไม่ค่อยได้มักจะหวานเสียแต่ปากแต่ใจขมเหลือเกินคนที่พูดพอประมาณนั่นต่างหากที่ควรเชื่อถือและควรฟังใจตรงรักใครก็รักจริงใจไม่โลเลหรอแหละรักง่ายน่ายเร็วเหมือนผ้า ย, ย้อมด้วยขมินเคารพใครก็เคารพจริงพักดีต่อมิตรก็พักดีจริงไม่เป็นศัตรู ร, รับรับกับใครไม่มีใจคิดในทางหลอกลวงใครให้หลงผิด ท่านผู้มีคุณสมบัติดังนี้เรียกว่าท่านผู้ดำเนินตรงกล่าวให้สูงขึ้นไปท่านผู้ดำเนินตรงหมายถึงท่านผู้ปฏิบัติตรงไปสู่พระนิพพานไม่ข้องแวะด้วยการมาสุขาลิกานุโยกและอตตกกิละมัทฐานุโยกมีปฏิปทาอยู่ในมัชิมาปฏิปทาคือมรรคมีองแปดมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นการได้กราบไหว้ท่านผู้ดำเนินตรงอย่างนี้เป็นสิริมงคลนำความสุขมาให้ พระพุทธภาสิทนี้พระาศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณวัดเ ว, วรุวันเมืองราชคลึกทรงปรารบพามณ์ผู้เป็นสหายของพระสารีบุตรมีเรื่องย่อดังนี้พระเถระไปหาพราหมณ์ผู้เป็นสหายแล้วถามว่าเวลานี้ทําบุญกุศลอะไรอยู่บ้างพราหมณ์ตอบว่าบูชายันอย่างที่เขาบูชากันตามธรรมเนียมพราหมณ์เช่นการฆ่าสัตว์บูชายัญ การสังเวยเทพเจ้าด้วยข้าวตอกดอกไม้พระเถระถามว่าด้วยจุดประสงค์อะไรเขาตอบว่าเพื่อให้ได้ถึงพรหมโลกพระเถระจึงว่าท่านและอาจารย์ของท่านไม่รู้จักพรหมโลกพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่ทรงทราบดังนี้แล้วพาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระศาสดาตรัสสอนว่าการบูชายัญการบริจาคให้แก่โลกียะมหาชนแม้ตั้งปี ก็สู่การเคารพนับถวายสาวกของเราด้วยกิจเลื่อมใสไม่ได้ดังนี้แล้วทรงสืบพระธรรมเทศนาต่อไปว่ายางกินจิจิตท่านจะเป็นอาธิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นจบพระธรรมเทศนาพราหม์ได้บรรลุโสดาภิพล